ฟั S 1> <S 1> <S 1> <S งทมกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกอบการปฏิบัติที่เราสนใจเลอะเป็นหลักการที่ศึกษาของชีวิตเราเข้าหลักเข้าเรงเข้าหลักเข้าที่ ไหใ น, ในเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วที่วัดป่าสุขโขโตแล้วจจตนามาแล้วตั้งใจมาแล้วมาออกจากออกมาบวชจะครอบจะคัวมาแล้วมาอยู่วัดจัว่างคนก็ลางานลาการออกมาเป็นข้าราชการลาออกมา ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมหลักปฏิบัติธรรมก็มีอยู่ไม่ไปขอที่ไหนไม่ไปหายืมใครอยู่ในเราที้เองทําตามที่พระเจ้าทรงสอนก็ให้มีสติภายในกายอยู่เป็นประจําเมื่อเรามีสติภายในกายอยู่เป็นประจําจะมีโอกาสสอนตัวเองได้มากที่สุด เห็นเรื่องเห็นเราที่มาเกิดขึ้นกับกายกับใจเราจึงจะไละความชั่วจึงเลยทําความดีมันมีให้เราเห็นมันมีเราทํามันมีให้เราละความชั่วก็ลาได้สิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจทมดีก็ทําได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมันตั้งต้นจากกายจากใจของเรานี่เองเราจึงตัวใครตัวมันเรื่องนี่ ที่เขาทังให้ได้อย่าไปเอ๊ะกันอยู่มีได้ทุกโอกาสมีสติไปกายอยู่เป็นใบจอมได้เห็นได้เอาสติไปต่อกับกายเอาสติไปต่อกับจิตใจให้เป็นเป็นหลักเป็นเจ้าทินเป็นที่อยู่ผู้ดูลแลสติเป็นสิ่งดูลแลกายสติเป็นสิ่งดูลแจด ล, แ จ, ล, แ จ, ลจิตใจ จะได้เห็นสิ่งที่มันจรป่าถ้ามีสติมันจะต่างกันกับสิ่งอื่นอยู่ว่าแต่จะเที่ยงหลักแข่งกับมาตั้งไว้ที่สติรู้สึกแล้วเลือกตายกูย้ฉันเข้าเหยื่อฉันดอกโดยประกอบขึ้นมาไม่ใช่ไปคิดลอยๆเป็นตักกะเป็นคิดเป็นตึกตองอเอาหัวเหตุนะผลไม่ใช่เป็นการสัมผัสปฏิบัติเนี้ย หรือว่ามันจะจึงจะชานาญจะชินไม่ผ่านเราทําอะไรให้ตัวเรือยสัมผัสถ้ามันสัมผัสว่าจึงจะชานานถือว่าทําเป็นสติไปทําเป็นเรื่องกาเรื่องใจะสติทําเป็นเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาให้เป็นสติทําเป็นมันหลงรู้ทําเป็นแล้วเพิมหลงเมืที่ไหนรู้ที่นั่นต่อต่อไปไม่ได้หัดมันจะเป็นไปเอง ควทุกมาที่ไหนรู้ที่นั่นความโกรธมาที่ไหนรู้ที่นั่นอะไรเกิดขึ้นมาที่ไหนรู้ที่นั่นมันจะเป็นว่ามันเองมันติดเหมือนกันสติมันติดในกายสติมันติดในจิตใจเหมือนเราต้องหนังสือภาษาปากภาษาคลาพูดมันก็ติดได้เมื่อมันติดมันลืมไม่ได้ถ้ามันติดเรา อันสติปในกายนี่มันไม่ลืมไม่โอกาสลืมเลยอเไยเกิดกับกายกับใจนี่ไม่มีลืมตลอดถึงการเกิดใจจะตายไม่ลืมสติเลยก็มันเติดแล้วมั่นก็เรื่องเล่าว่านีเด็กน้อยลูกคนตอดปืนที่ประเทศอินเดียกรุงลอนดอนเมืองปัญจคนคร พ่ออาชีพตัดฟืนพาลูกน้อยไปตัดฟืนในป่ามาขายใส่ล่อใส่เขียนสี่ล่อสี่เกียนไปเราจะเหินทางเกียนที่ราจะคือถ้าขครไปโกงเราจะคือไปดูทางเกียนนั่นที่มันให้มันเตินอยู่บนก้อ น, อนหินจนก้อนหินเป็นร่องลึกไม่มีก้อนเลื่อนได้โลบได้ แต่มื่อก่อนคขากินแล่อตะเกียนเพราะเหมืองเราจะคือมันเข้าออกทางเดียววันวันปัญจานาคคือภูเขาห้าลูกล้อมไว้ปัญจอบไปว่าห้า <c oughs> ดีพ่อกับลูกไปตัดปืนพบข้ามมาก่ากลับมาแต่ล่อมาหักเกนมาหักอยู่นอกวัง พ่อเลวิ่งเอาเม็ดในเบืองเอาเม็ดในบ้านพ อ, อจะออกไปออกไปไม่ได้มันค้ำเขาปิดประตูเมืองก่อนเพราะว่าเมืองนี่เขาปิดประตูสมัยก่อนโนนก็ออ ก, กันได้ออกก็ได้ลูกก็นอนอยู่นอกเมืองกับบัวพ่อไม่ได้กลับไปหานอนอยู่คนเดียวแต่ลูกกับพ่อมันเป็นชาวพุทธลูกเป็นชาวพุทธ พ่อามาจะสอนลูกเนาะโมเนาะโมจะจับประกวดตัวเนาะโมเนาะโมเนาะโมจนลูกท่องจำเนาะโมขึ้นใจตั้งแต่ตัวเล็กๆอะไรเกิดขึ้นมาก็นะโมอะไรเกิดมาก็เนาะโมดสัมผัสอะไรก็เนาะโมเด็กน้องมีเนาะโมในในภาษาพูดในภาษาของชีวิตไปเลยเนาะโออกหน้าออกตา หรือคนไทยบางทีก็ตั้งลูกตั้งชื่อลูกชื่อนะโมก็มีเหมือนกันบาทีแม่ก็เช่อชินสมัยก่อนลูกตกเดือนก็รอพระพรอมช่วยพระสังพระช่วยพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยไม่ได้พูดเรื่องอื่นตัวร้อนด่าลูกมาเป็น คนพาช่วยคนพาช่วยเด็กน้อยนี่ก็นอนในป่านอกเมงตอนเยินมาก็มีเรื่องเลาว่ามียักษ์มาหาจิมมาเจอเด็กน้อยนอนอยู่กับปัวกับ เ, นเืนอยากเขนเด็กเนเด็กน้อยที่จะต้องกินมันเด้พอยักษ์มาจับเด็กน้อยก็ พูดออกมาพราะควให้เชือเนาะหนหมูขอเด็กน้อยกวนกหนหมูทีเลยยักกว็วางเด็กน้อยแล้วพยายามที่จับอีกขอจับทีไรเด็กน้อยก็บอกหน้าหมทูทั้งทั้งที่นอนอยู่นะ <c oughs> มันติดแล้วเด็กอ๋อยนาก็จับไม่ได้สักทีพยายามที่จับทีไรก็หน้าหมูทุกครัง้งทุกคราวเลยไว้สุก็ลู้ว่า ยากกลัวว่าเด็กดน้อยนี่เป็นผู้เข้าถึง พ, พระเจ้ามีการพูดประทำผังโฉงในใจของเด็กมันกินไม่ได้อยากตัวนั่งก็เนั่งเฝ้าอยู่เป็นเพื่อนของเด็กน้อยตลอดคืนเพื mm ่ hmm. อที่จะให้เด็กน้อยมม่ว่ากันป้องกันคุ้มครองเด็กตลอดคืนอั น, นี้เรื่องเล่า จกอกว่าสูตรต่งองต่อาสูตรในเรื่องของพุทธศาสนาในเมืองกันจนันครในเรื่องเราว่าอย่างนั้นเพราะมันติดชีวิตของเราถ้ามันติดสติมันจะเป็นอย่างไรนี่ต้องฝึกลงดูจีจะได้สอนตัวเองทุกเรื่องทุกหล่อจะมันเกิดขึ้นกับปากับใจจึงจะได้ชื่อว่าละความชั่วทำความดีเหมือนกับเราได้ชื่อว่านัก บ, บวช แต่ว่าผู้ที่ละความชั่วทำความดีถ้าไม่ปฏิบัติทำบัญญินสติบัญญักิจะไม่เห็นความชั่วจะไม่ได้มีโกาสทำคามดีมากทุกจุดวันทีเคยทำมันอื่นจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ศีล ส, สมาธิปัญญามัเกิดที่จากละความชั่วทำความดีที่มันเกิดจากกายจากใจเราเนี่ยไม่ใช่เกิดจากที่อื่นไม่ใช่ไปท้องจอมอง การที่เป็นเป็นภาษาก็พูดเป็นอกมาจากกายจากใจนี่ก่อนเพราะทําแล้วละแล้วทําความดีแล้วนี่ประโยชน์แล้วได้ผลแล้วจึงได้พูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาเพราะศีลมักับจัดิเลิสภาที่กําจัดิเลิปัญญากําจัดิเลิจึงได้ชูเรื่องศกขาสอนขึ้นมาไตาสศีขาขึ้นมาเพราะมันมีในหัวใจของคน เพราะนั้นเราจะว่ า, าไไจะปากไม่ได้ท่วงจะบากไม่ได้สวดมนต์ไหวพระก็ว่าจะปากไม่ได้ต้องมองมาจากใจจริงๆเช่นอย่างที่สอนผู้บวชขอบวชว่าให้ อ, อกมาจากใจนะอิมังกาสวังเขตวาปวาเชตวเมังวันเตเนี่ยมันต้องออกมาจากใจ นิพพานสจิกณะอ ห, หวังกาสาวังหนี่ยอาศัยผ้ากาสวัดดีเพื่อทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งมันมุ่งถึงสูงสุดไม่ใช่ทำเล่นๆให้ออกมาจากใจอนนิพพานเกิดขึ้นได้ยังไงก็รับของชั่วทำความดีให้รับเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เริ่มวินาทีนี้เคยโกดเคยเกอังไง หยุดทันทีทิ้งทันทีวางทันทีจะให้เข้ามาในผ้ากฐาสาพัดล้างบางของความชั่วในหวัวใจเรารมรออไม่อทำให้ใครเดือดร้อนเพ่เมตตาในหวัวใจเลือดเลือดเดีของดตท่นี้วางล ง, นน ง, ท ง, งเท่านี้จะเปนี้ยขอทําความดีจิงยเรื่อว่าหนีความชั่วไปสู่ความดีให้มันวางถึงจิตั้งใจเรา น, นั่นก็เป็นคําที่ที่เป็นหลักฐานนั่นหนึ่งแต่ว่าภาคปฏิบัติมันสัมผัสมันพบเห็นจริงๆจะเห่กันอย่างจริงสิ่งที่มันเป็นความชั่วเกิดขึ้นมาให้เราเห็นถ้าเรามีสตินะจะทีละมันสมน้ำหน้ามันว่าอย่างนี้ก็ได้เวลามันหลงคิดไปลู่ชะตัวมันสมน้มหน้าขวามหลง เริ่มก็ทุกข์กันมารู้สึกตัวเนี่สมน้ำหน้าขมหลงมันได้สัมผัสอย่างนี้เฉิงๆปฏิบัติทำมันก็เกิดความชอบขึ้นมางานชอบคนมาได้มีสติที่ไหดก็อุ่นใจวุ่นใจเหมือนกับอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ผู้เจ้าวาอย่างนั้นนะผู้ใดมีสติเหมือนอยู่บ้านพ่อบ้านแม่อุ่นใจ ผู้ใดไม่มีสติเหมือนไกลบ้านไก่พ่อไก่แม่ว่าเปเขาหยิบไปไหนก็ได้เลื่อน้อยไปฝูงซ้อนอะไรคิดคิดอะไรต่างๆนานาไปาสารพัดอยา่างคนไก่ถิ่นคนไก่บ้านเราจึงพยายามให้สมัสดีๆมีสติเปน็นไก่งานของเรา งานสร้างสตีภาในกายงานมีสติภายในใจิตใจทำไมจึงทำเรื่องนี้เพราะมันใช่มาผิดกายก็ใช่มาผิดแล้วใจก็ใช่มาผิดแล้วคิดอะไรก็ไปเรื่องอื่นรำคาญลายเกิดมาไปเรื่องอื่นเคยชินติดอะไรมาเรื่องกายติดอะไรมาเรื่องจิตใจจะได้เห็นมันจะได้มีโอกาสพบเห็นมันมากๆเรื่องมากเล่า มันเกิดกับปากกับใจเราหนีนะเลยสอนเลยเล่าสอนแล้วสอนเลเรื่องเก่าสอนแล้วสอนอีกแย่แล้วใจอีกมันก็ชำนาญขึ้นมาเรื่องไหนมันผิดแต่รู้ทีที่มันผิดให้เป็นความไม่ผิดเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกมันก็มีความชำนาญเหมือนคนขอบรถที่มันผิดตรงไหนมีบทเรียนจนตาย เหมือนหลวงพ่อของหนังที่อยู่ด้วยกันขอมีไปตัดสายไฟส้ฟยไฟมันก็มีอยู่นะผมไม่รู้จับผมมีไปตัดสายไฟเงช็อกกือระดด์แต่มันจับได้มันเป็นไม้อยู่มันไม่แหลงเท่าไหร่ช็อกเหมือนกระเดิดพบับกันมาเลย แต่มีมีดวัชระออกจากมือได้เพราะมันเป็นไม้ต่อไปเขามาบอกหล้อว่าอโอ๊ยหลวงพ่อโอ๊ยมีบทเรียนตั้งแต่จนตายบท น, นี้ก็ว่าจะตายเพราะไฟนี่ไม่มีแล้วมันไม่บทเรียนจีิงผมมีไปตัดไฟผ้ามันช็อกมีด เ, เป็น เ, เป็นเหล็กไว้ไปมีสสายบวกสายลบตดัดแลงวมันช็อกป๊าไปตายเนี่ยก็ ได้บทเรียนนี่ยจอว่ามันมันก็มีวิค่ามากบทเรียนอย่างนี้อาจจะไม่ลืมเลยนเรื่องนี้จอไปเขาจะไม่เอามีไปตัดสายไปอีกเด็ดขาดแล้วเขาจะสอนคนอื่นด้วยได้ได้ด้วยนี่ชีวิตของเรา้องสัมผัสลองดสูสิมีสติดูงใจ มันจะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่สตีเกิดขึ้นมาจะได้สอนตัวเองจะได้สอนเดียนว่าละหลายเรื่องหลายเหล่าที่มันเกิดกับกายกับใจเราเนี่ยมากเรื่องมากเหล่าเรื่องเก่าปีหนึ่งยังได้สอนเรื่องเก่าอยู่ังมีสิบปียังเก่าก็ยังมีนะแต่มันมาเมาเบมาแบบเรื่องเรื่องหลังหล่อจะได้สอนมันน่ะเยอะเยอยมัน มันสูงกว่ามันเสมือนว่าเราอยู่ที่สูงมันมาต่ำๆนู้นไม่ถึงเราแน่นอนเหมือนกับขึ้นต้นไม้สูงๆเวลาช้างมามันก็ไม่ไม่ทำบะลลังให้เราไม่ได้เสื้อมาก็ทำาัลลังก์ไม่ได้อันตรายจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าเราสูงๆ ถ้ามีธรรมมันเป็นความสูงแบบนั้นความสูงเหนือความโวรทุกข์หลงความทุกข์หลงเหนือมันต้องเห็นทุกอย่างถ้าเห็นล้วก็มีชัยภูมิที่ดีกว่าเหนือกว่าในชาตรีมันจะดูแลกายดูแลใจได้คุ้ม ลักษณะกายรักษาใจในคุมไม่เป็นภัยเป็นพิษต่อกายต่อใจมันก็เกิดความวิญญาณขึ้นมาการมาดูแลกายมาดูแลใจให้ปลอดภัยเนี่เป็นเรื่องชอบที่สุดมันก็ได้ชีวิตขึ้นมาตรงนี้แต่ก่อนมันไม่ได้ชีวิตเลยไปยองอะไรทุกอย่างโก้ก็โก้ทุกก็ทุกแล้วก็แล้วเจยดก็เจ็บ ไหลไปไปอยู่ในมื อ, อไรลชีวิตของเราวันนี้มันได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาลู่เนี่ยชีวิตมันก่อเกิดขึ้นที่นี่ชีวิตที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เกิดได้อย่างนี้ไม่ใชเ่เกิดได้อย่างอื่นนะเกิดได้ตรงที่มีสติเห็นกายเห็นใจด้ช่วยกายช่วยใจให้ปลอดภัยถ้ามีสติแล้วก็ปลอดภัยนะ เป็นสินเป็นสมาธิขึ้นมาเกิดสินช่วยสมาธิช่วยปัญญาช่วยเป็นสินที่ขันเป็นสมาธิขันปัญญาที่ขันสินยิ่งสมาธิยิ่งไปกํนานาญมากขึ้นมาขึ้นไปก็ง่ายขึ้นตะวดวกมากขึ้นเยียงไปเลยไปสมรสวนลวอยงไม่เนิ่นชา้าเราตั้งใจให้มันนิเทศกับตัวเองให้มันดีด อย่าทำอะไรที่มันทิ้งๆค่วงๆมันจะไม่เป็นสตีเข้างานเข้าการทิ้งไปกลับมาทําใหม่ทิ้งไปกลับมาทําใหม่ทิ้งไปมันก็เมืชํานาญในงานที่เราต้องทําไม่ว่าจะทําอะไรต้องหัดไปอยู่ด้วยตั้งต้นใปอด้วยหัดไปอยู่เรื่อยเหมือนท่องหนังสือท่องเราก็ทิ้งไปก็มาลืมไม่ได้ทวนสตีก็ลืมไปแล้ว อย่างทองไปดิมุกได้ทองธรรมจักได้ทองะสม ต, ตั้งต่างที่ไม่สวดได้ไม่ได้ท่องไม่ได้จำเไม่ได้ทวนลืมไปหมดเข้าไปสู่ตำลาถึงสือตามเริมเวลาจะดูอะไรก็ไปหาดูตำลา่าอานนั้นก็ม่ช่มันเป็นของหลงไม่ใช่เหล่าไม่ใช่ตัดตา ด, ตดไม่ใช่เป็นที่พึ่งได้มันอยู่ที่อื่น เอาจึงมีโอกาสเต็มที่ให้โอกาสกันอย่างเต็มที่สำรับสุนท์กันให้เต็มที่ให้อยู่เวื่อนกันเนี่ผู้มีหน้าที่ปูงอานกาับผู้ง า, ารไปผู้มีหน้าที่อยู่นานโดยไปก็ดูปไยคนระเบียบรเบียบรอยคิดช่วยๆกันคุ้มของป้องกันให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดผลงานที่พวกเราจะส่วนต่างๆให้ร่วมมือกัน สมมุติการสร้างความสมมคติกัรนี้เกิดขึ้นในการงานอย่างนี้เราเห็นกันได้กันเป็นอย่างไรงสติดีไหมเออดีเอ้กันทีไรก็วงบอกถึงความสติให้ความยิ้มรู้สึกตัวกันอย่าไปชวนกันไปทางอื่นอะไรีผิดผิดวินไหนนะชวนนี่กันหลงเนะี่ แม้แต่การอาไการอะไรต่างๆก็ทำให้คนกันลไมิสติหลงไปด้วยเป็นบาปตั้งกันนะพิกสุท่องปฏิโบอกอยู่พิกสุหนึ่งไปชวนให้เธอคายการท่องสามเมื่อรุ่ยท่องไปลำไม้เดี๋ยวเราก็ได้เสกขาาลายเพศถหรือเราปฏิบัติอยู่ไม่รู้ปฏิบัติทำปฏิบัติใหม่ทุกวันนี้ไม่มีมรรคผลนิพพานพระอรหันต์ไม่มีแล้ว อย่างนี้ก็มีในหมู่ชาวพุทธนักปวดตนะเอาจะชยนะเพราะฉะนั้นี่ถือว่าผิดผิดวิไหนอย่างไรแลงเก่าตูพุทธพจนธมีคนที่พูดอย่างนี้ก็มีเราจึงต้องละบันานละวังสนับสนุนก่อนมันไม่ใช่ไปมีที่ไหนมันมีที่เหล่านี่เปลี่ยนควางชั่วเป็นความดีเปลี่ยนได้ เปลี่ยนทุกเป็นไปทุกเปลี่ยนได้อะที่มันเป็นความชั่วเกิดกับวางใจเรื่องมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้เป็นกรอบเป็นคำเป็นขางที่ทําได้ปฏิบัติได้ว่าธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าตัดไว้ดีแล้วผู้ศึกษาจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการ ควรนองมาจากเราหวานเก่าวกับผู้อื่นประกาศให้ผู้อื่นฟังเป็นปัจจตตังของผู้ปฏิบัติเองนี่คือวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ไม่ใช่แบบไปคำนวณคำหนึ่งไม่มีหรอกพระรหัตที่มีมรรคผลนิพพาปปนไม่มีบาปปุณไม่มีบางทีก็ไปอย่างนั่นก็มีมันเป็นวิทยาศาสตร์ยกเหมือขึ้นรู้สึกเนี่ย มันหลงที่ไดรู้เชิดตัวมันจริงยังไงจริงตา่างกันยังไงเวลามันโกรธรู้เชิตัวขึ้นมายกมือขึ้นความโกรธหายไปมีความรู้มาแทนมันจริงยังไงอะไรถูกต้องไปถามใครเรื่องนี้อะไรผิดอะไรถูกไปถามใครไม่มีคําถามถ้าเราสมผัตกับความเชื่อความจริงที่บังเกิดกับการใจเราเนี่ยมันไม่มีคําถามใครมีแต่คําตอบกเองตอบเองได้ทุกอย่าง เชิงเดียกว่าของกิงเห็นของเท็จของจริงมีอยู่ในกายในใจเรานี่ถ้าเรามีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่เห็นนะปลอมไปทั้งหมดเลยจอมปลอมทั้งหมดเลยคือเรื่องกายเัื่องเมื่อจอมปลอมตัวเองแล้วก็เป็นภวทุบตโตคนอื่นจริงเหวัตถุอื่นปฏิเสธไปเลย ไปเฉยความดีอย่างวิพาวตัณหาเนี่ยตัณหาจิบหอยปฏิเสธความดีวิาาาาาพาวตัณหาตัณหาป้ายจิบหายทำตามความชั่วระเิยความดีทั้งทั้งที่ความดีมีอยู่ทิ้งไปเลยความดีปฏิปเสธไปเลยอยากได้เงินได้ทองก็โพ้นเที่ยวไม่รู้จะเก๋งหนุ่มเก๋งใจคนอื่น โกลมผืนเบียดเบียนคนอื่นโดยไม่รู้จ่ดว่าสงคความชั่วทำตามความชั่วทำตามความทุกข์พวกนี้อลไร ว, ว่าวิพวตัญหาดุลแรงแนั่นมันมีอยู่หน้าเืิดดายหน้าเืิดดาคนคนที่โกรธเขาไม่โกรธก็มีในความโกรธนั้น หน่าเฉยดไยความทุกข์ที่มมีอยู่ในความทุกข์นั้นเวลาคนของมีทุกข์น่าเฉิไดไถ่เขามไม่ทุกข์เขไม่อยู่ในนอนก็ช่วยกันแต่ว่าต้องหัดให้รู้จักตัวก่อนไม่ใช่ไปห้ามให้มันไม่โกรธให้มันไม่ทุกข์เรามือนโกรธท้ามโกรธไม่ได้ต้องมากับป่ารู้จึกตัวมาถอนเหตุปัจจัยมันก่อนเหมือนไปที่มันรู้กันมา ถอยดุนพืนออกแค่ก่อนค่อยๆมันจะค่อยๆมดๆงดหลงสนใจเรื่องเงินก่อนเรียกว่าเรียกว่าอะไหนีไปก่อนตากตัดทางขับิมุตขม่มวิขัมปนั้นมุตหนีออกไป วิเศษแต่วิมุตค์ข้นเนตขานวิมุตตสามการเจริญข้นจากความโกรธมันต้องสามฐานหนึ่งขมไว้ไม่อยู่หนีไปก่อนเช่นอยู่สองต่อสองทะเลาะกันถ้าวันโดนมาด่มันจะด่ากันเลยก็ห น, นีไปก่อนลงจากบ้านจะเดินไปก่อนไปทําเองขวดป้านขวดเดินเจ็บกอบเก็บเียมไปก่อน ลืกไปก่อนอย่ามาสนนจอยเรื่องนี้ถ้าเฉียงจริงตัดขาดตอนตีทิ้งไปเลยกูมีสติปัญญาดีรีว่าวิสังขเชิตัวิมุเตมมดเด็ดขาดไปเลยเปลี่ยนละบัดไปเลยหักดิบไปเลยทนะหักดิบว่าสมุตเฉิดตังวิุเชื่อมแข็งในสติจะเป็นอย่างนั้นหลุดพ้นโดยเด็ดขาด มาผิดเป็นถูกเหมือนน้ามือหรอเหมือนผลล้มลมุมกันเลยหัดทนอย่างนี้ชีวิตจิตใจของเรามันยึงจะมีค่านะรูปได้นามมานี่ถ้าไม่หัดก็ไม่มีค่าและไม่ได้ประโยชน์เลยรูปนามนี่แหละมันเป็นมรรคเป็นผลนะฉินเมันรูปเป็นสมาธิเป็นปัญญาเนะี่ยมันมีรูปมีนามนี่มันตักความช่วได้มันทําความดีได้ ยุบนามเนี่ยมันทำความดีได้มันละความชั่วได้มันมีมือมีสติมีปัญญาช่วยอะไรต่างๆวัตถุจิงของให้ดีขึ้นก็ได้ช่วยผู้ช่วยคนถึงจิตวิญญาณก็ได้จนถึงคนจะตกนรกฉุกขึ้นมาก็ได้นะถ้าพูดตรงจุดนะ ก็จดตาอจะเก็บฉชกอมาจะความเจ็บความตายความทุกข์ก็ได้ไหมได้หลักเมืนกันนะว่ามันอันเดียวกันแต่พูดเราถูกทันดีไม่ใช่คนละเรื่องเรื่องเดียวกันจริงๆมีรูปเมือนนามเป็นเรื่องเดียวกันคนเดียวกันคนอื่นทุกเราก็เคยทุกข์มาแล้วเราแค่ได้คนอื่นโกรธเราก็เโกรธมาแล้วเราก็แค่ได้ คนมีจิตเด็ดต้หงหลายรลักคะเราก็เคยมีมาแล้วแก้ได้พราะมันมีเหมือนกันมาทานเดียวกันผิดตรงที่เดียวกันเพราะถ้าเรามีจิตมันจะสรุปลงมือก้มเมือเดียวหรือทั้งชีวิตเนี่ยจิตไม่ใช่จิตนะเป็นยาอนอย่างรูปเป็นมรรเป็นผลไปเลยนะถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีผลหรอก ้าไม่มีทุกข์กับเจ้าก็ไม่ได้เกิดอุบัติขึ้นในโลกนี้เราจะทำไงเกียบนลงไปเลยเห็นมันลงไปมันได้มันงามเพราะมันไม่มันไม่ผมมันไม่ตรงกันข้ามดีก็ไม่ดีงามกับความไม่งามอยู่ในลักษณะเดียวกันบนัลหมุมไม่เหมือนกับพืช วัตถุอื่นนะกายของเราใจของเราเนี่ยรูปนาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันพุณเจ้าพระสิท ธ, ธัรถจึงมองอย่างนี้นะมองแบบไม่จนโกไม่จำนวนไม่เฉลภาพเห็นความเกิดต้องมีความไม่เกิดมีความเจก็ต้องมีความไม่แจอ มีความเก็บก็ต้องมีความไม่เก็บมีความตายก็ต้องมีความไม่ตายมองอย่างมองอย่างไม่จำนวนแม้ยังไม่พกเห็นก็มองไปมองไปมองอย่างนี้ไม่จำนวนจะถามใครถามใครก็ไม่มีใครรู้รเลยเพระเจ้าปู่พระเจ้ายา่าพราะเจ้าตาพราะเจ้ายายไม่มีใครตอบได้คนก็ร้องให้เชิญทุกอย่เช่นนั้น จึงหาคำตอบจะไปตอบแบบนั้นเลยขนาดนัคนผลที่สุดก็มาศึกษาเรื่องเนี่ยนั่งรู้สารเขา้ารู้จักอยากสนอกรู้จักตัวเนี่ยมาตั้งต้นทีนี่ไปแก้ที่เห็นแก้ไม่ได้แล้วพอแก้ที่กาจนผอจนจะตายไปแล้วเหลือแต่หนังหุง้มกระดูกมันก็ยังโกรธังคิดถึงมิจฉาทิต้ิหาอยู่ โอ้เมื่อกี้เจ้าข่มคิดจิตใจหนึ่งบอมเผนทางจิตก็เขียเข้าก็จะมาจับจิตมันไม่ใช่ไม่บีตัวที่จับลักษณะจับจิตมันจะจับไม่ได้จึงมานั่งกู้เขียนเข้ารู้สึกตัวเย่อเขียนอกรู้สึกตัวจะเห็นความคิดที่มันคิดถึงที่มากลับมาโอคิดจะหุห่นกลับมาอืมเห็นเรื่องจิตหรอไม่ทำได้ทำได้เมืนอกี้ มีที่จับมีที่กลับมาได้ไปถึงวัสาวจะูก้กลับมาิดถึงสาสนมกำลันไหนกลับมาคิดถึงก็ชกอะไรต่างๆกลับมาคิดถึงพระเจ้าจกักรพรรดกลับมาอะไรทุกอย่างที่มันเกิดกับใจกลับมาลูกขอให้เป็นความลูกขอให้ไม่เป็นความลูกขอให้เป็นความลูก เออเขเท่าที่ก็าถางจับได้จับได้สุดเลยไปเอาวาง ก, ก่อนมียาดเกิดขึ้นต่อพงในเที่ยงคืนนะหมือนเรื่องนี้มันเรื่องนี้เรื่องนี้ว่าตีตังเข้าสปหยาดนึกแต่ก่อนอยู่ที่ไหนประตูปัญญหยานเกิดขึ้นที่ใดอาศกขยันอะไรเสร็จไปบ้างแล้ว เกิดขึ้นมาเห็นกอบเห็นกรรมขึ้นมามีพลังไม่ช่องทางเห็นเห็นช่องเห็นทางจุดผิดจุดถูกจิ้มเกิดก็บกายใรูปทํำมาทุกอย่างแลก็รู้จักว่าเออนี่บำเป็ญทางกิตบำเป็นดังกิตบำเป็นดังกิตคือมาตั้งหลักที่รูปที่กายนาะยังมีการสอนกันนี่หลักในฐานในพระสูตรไม่พระไตรปิฎก สติประฐานใจมีบุพเะต่างๆเยอะแยะในกายในใจเรานี่เป็นเครื่องมืออุปรกรณ์ที่มาให้เกิดความรู้สึกตัวแต่ถ้าเรามาใช่เหมือนอุปรกรณ์ได้ก็เกิดทุกสารพัดเรื่องมากมายหลายอย่างาเราต้องอย่าเอาตื่นมาอ้างเรื่องนี้อ้างว่าแฉ อ, อ้างว่าหนุ่มบ้างว่าจะว่าจะเหมทำว่าจนเํามาแล้วมารวยไม่มี เอาสิง่งนั้นมาอ้างไม่ได้เลี้ยวมันเหลวตรนน้นองู่ที่การกระทั่งนูเรากรทั่งที่จะได้ฝึกเชกตัวเองฝึกเชกตัวเองแบบนี้เราไม่เพศตา่างจากฤหัตแล้วเพี้ยนทางจิตวิญญาณศกคิดไว้ดีาเพศพรมวิจันบริสุทธิ์แล้วสติทำห้เราบริสุทธิ์มีเพศ้พมวจันขึ้นมา ไม่เปื้เพื่อนกับจึงใดก็มีจิตตินี่อย่งเราเป็นนักปวดถือบ้ากาับสัพพัฒน์นิเพตตากจากฤหัตแล้วอาการจิตใจใจของสำนละเราต้องทำอาการจิตณะนั้ น, น, นเส็ดลงไปความเลี้ยงคิดเก่าเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรดำตัวให้ เ, หหเกิดอะไรเส็ดลงไ ป, ปวัน อาการราวาจังอื่นที่เราต้องทำไม่ดีกว่านี้ยังมีอีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ไอ้เป็นน้ำเพึ่งนแก้วเติมลงใส่เรื่อยต้องใสกเรื่อยๆเอางี้ก่อของตัวเรานีจะได้ดีทำยั่วจะได้ชั่วแน่นอนหวานคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำรารยอยู่มองตน เราจะนินที่จงหัดหรือใหม่หรือชอบคุกคีหมกมุนกันอยู่ด้วยกันในห้องในหชอชั่วโมงสอนสอคุยกันเรื่องสองสมเหตุเหตละทำอะไรอยู่ได้มีได้มองตัวเองไหมคุณผู้ชมเรามีอะไรบ้างที่จะไม่เก้อเขินพว ก, กที่จะเป็นผู้แน่นำสองสอนคนอื่นในว่าเพื่อนมาไปชิดถามไม่ไหม ก็ต้อง fake ไปน้อไปมีคำมั่นนเนะสุขวเชเชอร์ก็ไล้นะ